เรื่องเล่าผีหลอนตอนคืนล้อเลียนเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณพงศกรได้พบเจอมากับเพื่อนๆโดยเรื่องทั้งหมดต้องย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่แล้วคุณพงศกรได้เล่าว่า ตอนนั้นผมเพิ่งจะเรียนจบชั้นมสาวันนั้นเราได้นัดกันเพื่อเลี้ยงฉลองกินหมูกระทะก็เรียกว่าเป็นการเลี้ยงฉลองเรียนจบทั่วไปนั่นแหละครับวันนั้นกลุ่มเพื่อนของเราได้ไปกินหมูกระทะกันทั้งหมด5คนเป็นผู้ชายสคนผู้หญิงสองคนทำกินกันเองที่บ้านของเนต หลังจากที่กินหมูกระทะกันเสร็จพวกเราก็กำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่เพื่อนคนที่ชื่อเน็ตเนี่ยก็ได้คิดแผนอะไรขึ้นมาได้บางอย่างมันบอกว่าเฮ้ยพวกเราไปลองของบ้านร้างกันไหมในตอนแรกนั้นก็ไม่มีใครที่จะไปกับเจ้าเน็ตมันแต่มันก็พูดวานล้อมต่างๆนานาบอกว่าไปเหอะเพื่อนไปกันนะ ไปลองสักครั้งก่อนที่เราจะต้องแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นพวกผมก็ใจอ่อนสุดท้ายก็ตอบตกลงสำหรับประวัติของบ้านร้างที่เราจะไปลองของกันนี้เล่ากันว่ามีผู้หญิงสองคนฝาแฝดเขาเป็นนางเอกลิเกและได้ถูกฆ่าคมขืนตายที่บ้านหลังนี้ ลักษณะของศพนั้นได้ถูกขวานฟันเข้าที่ใบหน้าจนหน้าขาดไปครึ่งซีกเมื่อเรารู้ลักษณะของคนตายแล้วด้วยความพิเรนแบบสุดๆเราก็พากันไปเช่าชุดลิเกมาเพื่อที่จะสวมล้อเลียนวิญญาณที่ลือกันว่ายังคงสิงสู่อยู่ที่บ้านหลังนี้ นอกจากนั้นเรายังพากันเอาเสียงเพลงรำเสียงเพลงระนาดใส่โทรศัพท์มือถือมาไว้เปิดด้วยพอเราเตรียมทุกอย่างพร้อมและเดินทางมาถึงบ้านร้างหลังนี้แล้วเราก็ได้พากันทำการแสดงลิเกแบบแสดงท่าทางล้อเรียนคนตายทำท่าทางกระทาชํำเราเพื่อล้อเรียนด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำเป็นอย่างมากแล้วไอ้เพื่อนคนที่ชื่อเน็ตมันก็ไปตะโกนท้าทายเขามันพูดคำหยาบคายต่างๆมากมายเพื่อเป็นการท้าทายและลบหลู่แล้วจูๆ่ๆโทรศัพท์มือถือที่เน็ตถืออยู่นั้นมันก็ดังขึ้นมาดังเป็นเสียงเพลงมอญร้องไห้ แล้วไอ้เน็ดมันก็รำไปพร้อมกับเสียงเพลงมอนร้องไห้ด้วยมันรำเหมือนกับคนที่รำลิเกเป็นทั้งที่จริงแล้วไอ้เน็ดมันรำไม่เป็นเลยสักนิดแล้วสักพักก็เหมือนกับไอ้เน็ดมันหลุดออกมาจากผวังแล้วมันก็พลงตะโกนออกมาว่ามึงดัดมือกูทาไมวะแล้วมันก็ยังคงรำอยู่เรื่อยๆไม่ยอมหยุด จนพวกเราเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วจึงพากันอุ้มเน็ตกลับบ้านแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเน็ต<ส>เพื่อนคนที่ชื่อแตงกวาได้เผลอหยิบรูปใบเล็กๆ เ, เ, เก่าๆมาจากบ้านร้างนั้นด้วยซึ่งขาดว่าน่าจะเป็นรูปของคนที่ตายนั่นเองผมถามแตงกวาว่าเอารูปเขามาทำไม แสงกวาก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งสักเรื่องได้ไหมผมก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่มึงเถอะแล้วสักพักเราก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติจนลืมเรื่องในคืนนั้นไปแล้ววันเวลาก็ผ่านมาอีกสองถึงสามวันเจ้าเน็ตมันก็มาชวนไปเที่ยวสัตหีบ พอเราท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเสร็จแล้วตอนค่าก็หาโรงแรมที่พักก็ไปเจอโรงแรมในราคาถูกๆเมื่อไปถึงห้องพักเราเลือกที่จะนอนห้องเดียวกันทั้งหมดห้าคนเมื่อจัดแจงอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผลัดเปลี่ยนกันอาบน้ำและนั่งคุยเล่นกันพอตอนกลางคืนเราจะออกไปเที่ยวกัน ตอนนั้นเวลาก็สี่ทุ่มแล้วกำลังจะออกจากห้องกันพอดีแต่แล้วเพื่อนที่ชื่ออิวก็เกิดปวดท้องประจำเดือนผมเลยบอกกับเพื่อนๆว่าไม่ต้องออกไปเที่ยวกันแล้วละช่วยกันดูแลอิวก่อนแต่อิวก็บอกว่าไปเที่ยวกันเถอะไม่ต้องเป็นห่วงจากนั้นพวกเราก็เลยพากันออกไปเที่ยว เราไปเที่ยวกันยังไม่ถึงสองชั่วโมงได้อิูก็โทรมาบอกว่าใครมาเคาะประตูห้องวะพวกเราก็บอกว่าไม่ใช่พวกเรานะพวกเรายังเที่ยวกันอยู่เลยนี่ได้ยินเสียงเพลงไหมเมื่อทราบดังนั้นหิวจึงเดินไปดูที่ประตูตาแมวก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำท่ารำแล้วเดินไปเคาะประตูทีละห้อง ทีละห้องรำและร้องเพลงรำไปด้วยเมื่อมองดูที่ปากของผู้หญิงคนนั้นชัดๆก็ได้เห็นว่าปากของเธอฉี ก, กว้างจนแทบจะถึงหูเมื่อได้ฟังอิวเล่าดังนั้นพวกผมเลยรีบกลับมาที่โรงแรมพอเช้ามาเราเลยมาขอขมาต่อสิ่งต่างๆที่ได้กระทําล่วงเกินไป แต่ตอนปักทูบลงดินนั้นทูบกลับปักลงดินไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงจนเมื่อลุงแก่ๆคนที่ดูแลสวนคอยตัดหญ้าที่โรงแรมแห่งนั้นได้มาเห็นว่าพวกเรากําลังทำอะไรกันอยู่เก้ๆก๊กังกงกันนั้นลุงจึงถามขึ้นมาแล้วเราก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลุงฟังลุงบอกว่า ถ้าอยากจะขอขมาให้เขายกโทษให้แล้วล่ะก็ก็ให้ไปหาลิเกมาสแสดงที่บ้านร้างหลังนั้นพวกเราไม่นึกไม่ฝันกันเลยว่าผีบ้านร้างนั้นจะตามพวกเรามาได้ขนาดนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวลหลอนจากคุณพงศกรด้วยนะครับ